วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสบูพกกับยาติธรรมและคณะสงฆ์สายงานหลกปูเทียนอิตสุโภคซึ่งพอมาเห็นก็ดีใจที่ญาติโยมได้มาร่วมกัน แดงถึงความรักความคนรุกในหลวงพ่อมหาดิเรกทายานันโทซึ่งได้จากพวกเราไปเรียกหลวงพ่อมหาดิเลกนี้ท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นหลัก หรือเป็นตัวแทนที่สำคัญสืบต่อจากหลวงปุทเทียนมาเรียกว่าถ่ายทอดกันมาจากหลวงปู่เทียนทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการหลักการต่างๆ หลวงปู่เทียนก็ได้ถ่ายทอดลงมาตามลำดับแล้วก็พวกที่สำคัญสำคัญในสายงานก็ทยอยจากไปแล้วฝากความหวังไว้กับรุ่นหลัง แต่อตอมา อ, มอย่างหลงพ่อเองก็เรียกว่างอนแงนเต็มทีเหมือนกันจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งก็ต้องประคองปีกแล้วเรียกว่า กายมันไม่สู้แล้วแต่ว่าจิตใจมันยังสู้อยู่เออมันดีที่ว่าจิตใจมันไม่ถอยแต่ถ้าจิตใจมันถอยก็เรียกว่าหมดแล้วนี่มันดีที่จิตใจมันไม่ไม่ถอย เท่กากัจิตใจมันสู้อยู่แม้ว่าร่างกายมันจะตะเปะตะปะไปยังไงก็เออมันก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราไปได้แล้วแนะม้ร่างกายมันจะตะเปะตะปะแต่ว่าจิตใจมันหนักแน่นมั่นคง มันก็สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ทุกอย่างมันกันฉะนั้นท่านถึงบอกว่าใจของเราเนี่ยเป็นนายกายเป็นบั่นถ้าใจดีแล้วกายก็ดีถ้า ไปไม่ดีแล้วถึงร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนก็เรียกว่าไปไม่ค่อยลอดฉะนั้นพอมาเห็นคณะญาติธรรมทุกทุกท่านเนมาร่วมกันปฏิบัติเนี่ยก็อพอมองเห็นว่าศาสนาของเราเนี่จะ มั่นคงต่ อ, ตอไปยังไม่วันไหวยังไม่คอนแครนเพราะยังมีคณะพระสงฆ์ที่ถ่านมีความสามารถในการเผยแพร่ธรรมะ แล้วก็มีคณะญาติโยมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่จะพร้อมสละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาของเรากรเลยภูมิใจดีใจเนี่เพราะว่าวิธีของหลวงปู่เทียนนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า เลยง่า ย, ยอย่างลวงพ่อยเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่เทียนหรอกแต่ได้เคยไมื่อไม่เคยเห็นหลวงปู่เทียนจะได้รู้จากหลวงปู่เทียนสมัยก่อนที่เรียนหนังสืออยู่เมืองไทย หลายปีเรกว่ายี่สบปีไม่เคยรู้หลวงอุเทยียนเลยไปก็ไปแต่สายอื่นๆไปปฏิบัติ ตายพุโทโธบ้างตายยุคหนอของหนอบ้างแล้วก็จะเดินทางไปอเมริกาไปอยู่ที่อเมริกาพอไปอยู่อเมริกาเนี่ยได้ไปรู้หลวงอุเทียนอยู่ที่อเมริกาไปอยู่เมืองไทยไม่รู้ แล้วรู้ต่อเมื่อหลวงปู่เทียนท่านเมรณภาพไปแล้วคือหลวงปู่เทียนเนบท่านมรณภาพปีสามหนึ่ง แล้วเราออกไปอยู่ที่อเมริกาไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในปีสามศูนออกไปปีสามศูนไปอยู่อเมริกาหลวงปู่เทียนท่านมรณภาพปีสามนแล้วไปรู้จักหลวงปู่เทียนเมื่อปีพศสอพันห้าร้อยสามสิบเจ อยู่ที่อเมริกาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยก็สอนพวกหลังปฏิบัติแบบยุคหน้อของน้อไปเรื่อยๆอยื่อนะเรียกว่า ตาบอดสอนคนตาบอดไปเรื่อยแต่หาฝรั่งทรรมตัวเองก็บอดฝรั่งก็บอดเรียกว่าตาบอดจุงคนตาบอดไปเรื่อยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหมอคงสักตันไปจิตซึ่งเป็นไอ หาของวัดแท่านกลับไปจากเมืองไทยท่านมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็กลับไปจากเมืองไทย <c oughs> แล้วเอาหนังสือสว่างกลางใจ <c oughs> เล่มหนึ่งกับเทพ วิดีโอเทพไปถวายบอกว่าอาจารย์ลองศึกษาวิธีนี้ดูสิ mm hmm. เพราะว่าผมกลับไปเมืองไทยครั้งนี้เนี่ย mm hmm. ผมไปอยู่ที่วัดสนามในเจ็ดวัน mm hmm. ผมได้คําตก ตบให้กับตัวเองหลังจากผมปฏิบัติมาตั้งแต่บวชอยู่ที่วัดวรวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นอุปชาแล้วผมก็ไปตามสำนักทุกสำนักเลยที่ไม่วัง หลวงปูข่ขาวหลวงปู่อะไรหลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรไปหลวงปู่มหาบัวอะไรต่างๆผมไปหมดหมดแต่ผมก็ไม่ได้คำตอบผมมา อ, อเมริกาผมก็ไม่ใช้อยู่ตลอดวิธีการที่ได้มาตั้งแต่สมัยบวตด้วยแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ แล้วพอผมไปเมืองไทยครั้งนี้ยผมไปอยู่ที่วัดสนามในเจ็ดวันผมได้คำตบให้กับตัวเองแล้วก็เลยควนซื้อหนังสือทั้งหมดที่มีในตลาดของลุงปุทียนแล้วก็เทป ท, ท, ทั้งหมดวิดีโอเทปทั้งหมดว่า ได้มาได้มาแปดกระเป๋าใส่กลับไปแปดกระเป๋าคือมาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยมาสี่คนลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งแล้วก็แฟนหนึ่งกับตัวคุณหมอหนึ่งเรียกว่าเขาให้ขึ้นเครื่องปีนคนละสอกระเป๋าเนี่ยเอาผลหนังสือไปทั้งหมดเลยไม่เอาขอ แต่ยังแ้วไปให้ศึกษาแล้วพออ่านหนังสือสว่างกลางใจดูหลบงู่เทียนท่านประท้าถ่ายดีอเอาทาเมืนกันแล้วเอามาฟังเทป แล้วอูเทียนท่านกับูดเด่นดีๆหลายอย่างซึ่งเป็นที่น่าสนใจแต่พอมาดูวิดีโอเทปเห็นยกมือไปยกมือมายกมือไปยกมือมาอแต่ก่อนนีงไม่เคยรู้ เพราะพอรู้แต่วิธีการที่นั่งนิ่งสงบแล้วมาเห็นยกมือเนี่ยอ่ะมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงขนาดที่เรานั่งสมาธิตัวตรงนิ่งมันยังไม่ค่อยนิ่งเลย แล้วยกมืออย่างนี้มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรสงสัยหนักก็เลยบอกว่าเาไม่เอาแล้วเจ็บไปก่อนแล้วพอดีในช่วงนั้นเนี่ยพระที่อยู่ด้วยเนี่ยหมดวาระกันหมดเลย ตักเมืองไทยบงังแล้วก็เลยขอพระรุ่นใหม่ไปช่วงระหว่างที่รอพระเนี่ยก็เลยนิมนต์อาจารย์มหาสมชัยมาอยู่เป็นเพื่อนจากวัดพุทธานุสรเมืองครีมอนเกลิรโคนีย พอท่านมาท่านบอกว่าอาจารย์มีหนังสือปฏิบัติมไหมมีมีทั้งหนังสือแบบเทปวิดีโอเทปมีหมดอ่ะเอาไป ท่านไปศึกษาท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างหนักเลยเอาริงๆงจังๆเออตื่นตั้งแต่ตีสองปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงหกโมงทำวัดกันทำวัดเสร็จฉันเช้าเสร็จปฏิบัติจนกระทั่งฉันเพีน พอฉันเพนเสร็จแล้วปฏิบัติจนกระทั่งถึงหนึ่งทุ่มทามวัดเย็นหลังจากทาวัดเย็นเสร็จถ้ากปฏิบัติจนกระทั่งห้าทุ่มหกทุ่มถึงพักหนุนแล้วดูแล้วรู้สึกว่าอาการต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปปุ๊ วันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการลุกการยืนการเดินการนั่งการพูดอะไรต่างๆนี้มันเปลี่ยนไปสังเกตดูแล้ววันหนึ่งท่านเขามากราบบอกว่าผมจะลากลับเมืองไทยอยู่ เลยบอกว่าเอ๊ะผมนี่มนท่านมาอยู่เนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนรอภิกษุที่จะกลับมาจา ก, มกมาเก ม, าากมืองไทยแล้วพอภิกษุมาเคยพวกพระมาจากเมืองไทยแล้วท่านถึงไปบอกว่ผมอยู่ไม่ได้ผมจะกลับเพราะผมจะไปพาโยมพ่อโยมแม่ ไปปฏิบัติที่วัฒนามไหนเนื่องจากว่าผมปวดมาย3่สิบสามษาแล้วไม่เคยให้อะไรกับยงพ่อยงแม่เลยเแล้วพอผมมาได้มาปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกผมคิดถึงยงพ่อยงแม่อยากอยากให้ยงพ่อยงแม่ได้ รู้ได้เห็นได้สัมผัสอย่างที่ผมรู้ <eredith> ผมเหน็นผมได้สัมผัสก็เลยบอกว่าอ้วาวรอพระมาขอนถึงไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถึงวันนั้นพ่อแม่ของผมจะมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือ จะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นจะไม่ผมก็ยังไม่ทราบหรฉะนั้นขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะต้องไปผมจะขับวงนี้หรอเพอผมซื้อตัวเครื่องบินแล้วแล้วออก็เลยอ้าไปก็ไปผมอยู่องเดียวรูปเดียวก็ได้ เต็นไรอะไรไปส่งสนามบินนาไาทชาที่เมืองเซนลุยนแล้วก่อนที่ท่านจะเดินเข้าห้องคูณโดยสารท่านหันหลังมาพูดบอกว่าอ้า ว, อ า, วอาจารย์เมืม่อไรอาจารย์จะปฏิบัติแลวถ้าผมปฏิบัติอยู่แล้วบอกปฏิบัติวิธีนี้ เดี๋ยวผมจะปฏิบัติเองนะอาจารย์แนาา่ใจว่าอาจารย์จะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าท่านก็เดินเขาพ้องผู้พักเคยกัวพ้องพักอุดยสารไปกลับวัดมานั่งคิดอ่ะ เราจะต้องทดลองถึงจะรู้ว่าการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยเป็นนั่งปฏิบัติอยู่ในห้องน้ำอะ เพราะว่าโถส่วมมันสูงๆนั่งจ่าจังหวะอยู่ในโถส่วมอ้าวถ่ายโยมามากดกริงก็ออกมาเปิดอันนั้นก็เข้าไปปฏิบัติอื่นแล้วปฏิบัติไปปฏิมาปฏิมารู้สึกว่ามันส ง, งบลงส ง, งบลงส ง, งบลงนิ่งลง แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันกำลังคิดเกินไปยังไงมันไปความคิดมันไปเจอกับตัวติมันกลับลงทันทีก็เลยแปะว่าวิธีการอย่างนี้หลักการอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยพบมาก่อนแม้จะนั่งสมาธิก็มันก็ยัง ไม่เคยพกแล้วเปรตตัดสินใจว่าเออวิธีนี้เป็นวิธีที่น่าจะดำเนินการต่อไปให้ถึงที่สุดได้แล้วพอดีปีนั้นหลวงพ่อคำเขียนได้รับนิมนต์จาวัดจงเย็ยนนครนิวยอร์ก หมอกรสั ก, กนิมวหลวงพ่คำเขียนไปแวะที่วัด <c oughs> ก่อนที่จะเข้าบรรษาเจ <c oughs> ็ดวันก็ได้ปฏิบัติร่วมกับทา่านอาทากกับอาปฏิบัติอย่แล้วก็พอท่านั้นท่านก็ไปจําบรรษาที่วัดจุงเทียนนครนิวยอร์ก พอท่านออกพรรษาแล้วท่านจะกลับเมืองไทยท่านก็ไปแวะอีกเจ็ดวันก็เลยปฏิบัติร่วมกับท่านมาตลกถึงท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลวงพ่อกำเสียงกลับก็เลยบอกกับท่านบอกว่า ปีพศ2539เนี่ย <c oughs> จะกลับเมืองไทยแล้วจะไปจำบรรตาที่วัดป่าสุกตูไปปฏิบัติที่วัดป่าสุกตาาูตตกับหลวงพ่อเพราะว่าไปอยู่อเมริกานจะสามปีกลับที่นั่นคือกับสามสามสมหกสามเก้า อยวกมากับสิ hablando, ่งหนึ่งฉะนั <onsieur S 2> <clears throat> Finally, ้นพอมาปฏิบัติอยู่วัดป่าสุกัตโตนี่ได้ปฏิบัติเต็มเต็มเต็มที่ตลอดพรรษาแล้วก็ถึงพอปอพรรษาแล้ว แต่ยะนั้นก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดมามงหมู่บ้า น, นเล็กๆแต่ยงเคยไปก็คงจะรู้จักแล้วก็เห็นว่าแถวนั้นเนี่ยมันหาพักที่จะไปอยู่จริงๆเนี่ยมันมีนมหายากพวกติดอยู่ตามนั้นก็มีต่างต่าพวกลงตาที่เข้าวัดเข้าอะไร ลองทดลองดูวิธีการปฏิบัติเอาหลักปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยก่อนกอดแถวนี้ไม่มีแถวไปสลัคามเนี่ยก็ยังมีอยู่โน้นแย่ดำก็ไม่ไม่มีมาทางนี้คือหลวงพ่อแย่ดำทานก็ไ่ ที่รู้จักของพวกแพทป์กหมอเยอะอะสมัยนั้นก็เที่ยวไปปฏิบัติที่ไหนไปพายวจะโยมปฏิบัติที่กรุงเทพที่บุญลำที่ไหนเนี่ยก็เรียกว่าเขารู้จักหลวงพ่อสงครามดีอ ปกหมอป ก, ปกแแหต่างๆแล้วแบบทีนี้ก็ได้ไปตั้งที่เริ่มที่วัดปาน้องคูหลวงพอกำเขียนก็ไปกำหนดวันให้บอกว่าที่วัดปาน้องคูจะต้องปฏิบัติประจำปีวันที่สี่ถึงวันที่สิบเอ็ดมุกลาของทุกๆปีว่า ทดลองดูมันก็รู้สึกว่าได้ลผลดีอันนี้แหละเป็นหลักฮีให้เห็นว่าวิธีการของลูกบูเตียนถึงจะอาศัยแบบลูกแบบทีอ่อยู่ในทั้งเสือวิธีการสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะนี่นะ ซึ่งไม่มีหออาจารย์ในตอนแรกแร ก, ก็ยังรู้สึกว่าได้ปกติแม้ว่าจะไม่เคยเห็นลูกปูเทียนก็ได้เห็นอยู่ที่ตรงเรามาสร้างจังหวะมายกมือมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวต่างๆมันก็เลย เหมือนกับเราอยู่หลวมกับอยู่หลวงผู่อยู่กับหลวงู้เทียนมาได้เข้าใจวิธีการต่างๆลหลายๆอย่างไปเรื่อยมาเพราะมันเกิดจากการที่เรายกมือสร้างจังหวะ แต่ก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าการนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยทำให้จิตมันนั่งนิ่งลงไปนี่งลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปจนกระทั่งว่าถึงขั้นอุปยระสมาธิอัปนาสมาธิมันสบายมันสงบแต่เวลาออกเนี่ยมันมาประสบ อารมณ์ต่างๆนี้มันก็ยังวันไหวยังวอกแวกคลอแนแคนยังวิตกกังวลอะไรต่างๆอยู่มากมายเนะี่ยอ่านหนังสือหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับมันเย็ยนลงไปเหมือนกับน้ำแข็งว่า น้ำแข็งนะมันเย็นแต่ว่าเอาออกมาวางไว้กลางแดดเนี่ยไม่ทนานน้ำแข็งมันก็นละลายน้ำแข็งมันละลายแต่ถ้าแบบสร้างจังหวะในหลวงปู่เทียนท่านบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราดำลงไปในน้ํา ดำลึกลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจริเท่านั้นดำลึกลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจริเท่านั้นหลวงปู่เทียนท่านเดี่วางไว้แล้วท่นี้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาศึกษาธรรมกันทีนี้เข้ามาประเด็นเนะี่ย ว่าเราศึกษาธรรมเนี่ยเราศึกษาอะไรทมอยู่ที่ตรงไหนไรู้ไหมว่าทมอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้จะทมเนี่ยเราจะศึกษาธรรมได้ไหม ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าโดยมากเราจะเข้าใจกันไม่ค่อยถูกนี่ถ้าพูดถึงพระพุทธเราก็มองเห็นแต่พระพุทธรูปที่นั่งใช่ไหม พูดถึงพระธรรมเราก็มองเห็นแต่แต่หนังสือปตยปิดกอยู่ในตู้นั้นปตมปีดก45เล่มนูน่นถ้าพูดถึงพระสงฆ์เราก็ น, นึกว่าแต่แต่พวกที่ เขียวผมข้าเหลืองโบราณท่านบอกว่าไหวพระพุทธอยาให้ถูกทองคำไหวพระธรรมอยาให้ถูกไบลานไหวพระสงฆ์อยาให้ถูกลูกจุกหลานเขาแกว่า จ ะ, งงจะไหวยังไงถึงจะไม่ถูกทองคําเราจะไหวยังไงถึงจะไม่ถูกไปลานเราจะไหวยังไงถึงจะไม่ถูกลูกหลุดหลานของเราก็คือเราจะต้องไหวตัวเอง ยมือขึ้นอัญชลีฟันทาเอาิวะเราจะต้องอยู่กับอัญเชลีอยู่กับวันทาอยู่กับพิวะให้มันรู้อยู่เนี่ยไม่ได้ไปรู้อยู่ที่ประคุตไม่ได้รู้อยู่ที่ปะธรรมไม่ได้รู้อยู่ที่ปะสมขอพระธรรมที่ตัวจริงอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมด ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าแปดมื่นสี่พันพระธรรมคันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่ใจของเราจคนั้นเอง อาการที่มันเกิดขึ้นทางกายเนี่ยอาการอะไรบ้างอาการที่มันเกิดขึ้นทางวยยาจาอาการอะไรบ้างอาการที่มันเกิดขึ้นทางใจเนี่ยอาการอะไรบ้างอาการที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยเรียกว่าพระสุตตันตะปิฎก อาการที่เกิดขึ้นทางวายฌานเรียกว่าพราะวินัยปิดกอาการที่เกิดขึ้นทางใจใเรียกว่าพระอภิธรรมปิดกพระสุตันตะมีสองมืนหนึ่งพันอาการพระวินัยปิดกมีสองหมื่นหนึ่งพันอาการพระอภิธรรมมีจุดสี่มื่นสองพันอาการ ศึกษากายศึกษาวาจาศึกษาใจของเรากายของเรามันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราวาจาของเราอย่างพูดเท็จพูดคำยาพูดจอเสียพูดเพ่อเชื่ออย่างนี้มันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนอยู่ในหนังสือไปเขาเขียนไว้นะมันมันอยู่แต่ที่ตัวของเราไหย เราดูต้องเสือปั๊บมาเราต้องมาดูที่ตัวของเราเนี่ยมันดูของจริงคือของจริงมันอยู่ที่ตัวของเราแต่ที่นั้นมันเป็นของท่านไปสำมรองไว้เพื่อจะให้เป็นเบื้องต้นฉะนั้นเองฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยเราถึงมาต้องมาศึกษาตัวจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมด ท่านถึงบอกว่าถ้าเราเห็นกายเห็นใจของเราเราก็เห็นธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะก็คือเราเห็นกายเห็นใจของเราอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าพระองค์ตัดกับพระวกลิ โยมังปัสติโสธรรมมังปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราแตถาคตผู้ใดเห็นแต่ธาตเราแต่าาตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยมังปัสติ โสปฏิจจสมุปบาทางปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นัน้นค่อว่าเห็นธรรมคือมันเห็นการเกิดการตั้งอยู่และการดับไปของอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างความโกรธเนี่ยความโกรธความโกรธเราจะไปดูที่ไหนถ้าเราไปดูที่อื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นความโกรที่แท้จริงรสของความโกรธมันเป็นอย่างไงธรรมชาติของความโกรธมันเป็นอย่างไงแล้วฤ ต่างๆที่มันเกิดจากวงโกธรมันมีเป็นเป็ น, ปนยังไงเราจะไม่รู้จักแต่ถ้าเราดูของจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยเราจะรู้จักเราจะรู้จักถ้าเราไปดูที่อื่นดูตามหนังสือเนี่ยเราจะอ่านไปเท่าไหร่อ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้จักแล้ เรียนจบไประดับไหนก็เรียนจรรบไปแต่ไม่รู้จักเรียนจนกระทั่งจบประโยคเก้าก่อนรู้จักว่าตความโกรธมันมีอาการอย่างนั้นอาการอย่างนีน้แต่ว่าถ้าเรามาดูความโกรธที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าเ อ, อ มันมีฤทธิ์ยังไงมันสามารถที่จะทําลายเราได้ยังไงมันเผาไหมเรายังไงมันทําให้เราร้อนยังไงเราทําให้เรากรวนกวายกระสับกระใสได้ยังไงทําให้เราได้ทําความผิดต่ตางๆได้ยังไงเราจะเห็นที่ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลง ซึ่งมันเกิดขึ้นมันเป็นตัวที่เผาผ่านชีวิตของเราจนกระทั่งความสุขต่างๆมันมอดไม่ไปหมดฉะนั้นเราดูมันบ่อยๆเราดูมันประจำให้มันเห็นบ่อยๆเห็นประจำแล้ว เราจะได้รู้สึกกลัวมันถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักทุกเนี่ยเราจะออกจากทุกไม่ได้เนี่ยเหมือนกับคนเราถ้าไม่รู้จักความจนก็เราก็ออกจากความจนไปไม่ได้ ต่อเมื่ อ, อไรเรารู้จากความจนเนี่ยเราพยายามออกจากความจนหนีความจนไปมันก็พ้นจากความจนได้เหมือนกับเราเห็นทุกเนี่ยเราพยายามที่จะหนีจากความทุกข์ไม่ได้เราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเป็นประจำจนกระทั่งมันเกิดความข้องความจำนานเหมือนกับเราดูหนังสือเนี่ย ดูหน an ังสือเราดูไปดูไปอ่านไปดูไปอ่านไปดูไปอ่านไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมามันเกิดความมันเกิดปัญญาขึ้นมาได้ยังไงเกิดความรู้ขึ้นมาได้ยังไงเกิดความฉลาดขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกับเราดูนี่แหละเรามาดูนะ มาดูอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายของเราในขั้นแรกเราจะต้องดูอาการที่มันเกิดขึ้นทางกายของเราก่อนซึ่งมันเป็นของง่ายนี่แหละอาการที่เราไปแชงมือขึ้นยกมือขึ้นมปหยุดครึ่งตัวเอามือมาวางที่สะดือแล้ว เอามือซ้ายทั้งมือ ซ, ซ้ายมาทับมือขวาเอาเลื่อนขึ้นมาที่หน้าอกเขาเนี่ยตามที่เราสร้างจังหวะเนี่ยแล้วเรารู้อยู่เนี่ยต่อไปมันก็จะรู้กว้างขวางออกไปเสียงฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าให้ ทำอริยบทสี่ให้เกิดความคล่องควา ม, วา ม, วามจำนานไปก่อนเพราะอริยบทสี่ในเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเหมือนกับเสาเข็มถ้าอาคารที่เราจะสร้างอาคารขึ้นไปสูงๆเนี่ยถ้าไม่มีเสาเข็มเป็นยางไงไปขึ้นไปได้ขึ้นไปไม่ได้ แต่ถ้าเราเสาเข็มดีเนะี่ยเราจะสร้างเกินไปกี่ชั้นกี่ชั้นก็ได้เอาถึงร้อยสองร้อยชั้นก็ยังได้แค่นั้นเราพุทธองค์ถึงให้เราทำอิริยบที่ให้ชำนาญก่อนไม่ต้องไปงวงหรอกทั้งั้นคือยืน เนนั่งนอนเวลาลุกเราตั้งใจลุกไหมหรือว่าคิดจะลุกลุกขึ้นไปเลยเวลานั่งเราตั้งใจนั่งไหมหรือว่านั่งลงไปเลยคิดจะนั่งก็นั่งเลยเวลาเดิน เราตั้งใจเดินไหมหรือว่าคิดจะเดินเดินไปเลยเวลานอนเนี่ยเราตั้งใจนอนไหมหรือว่าคิดจะนอนประนอนไปเลยฉะนั้นการปฏิบัติในอิริยาบ4สี่นี่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลย ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนอนเนี่ยเราจะอยู่ในอิริยาบถสี่นี้ตลอดไม่ยืนก็ต้องนั่งไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็เดินเราจะต้องอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนอน แล้วที่มันขาดเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดที่เราเอาไม่ไม่เอาสติเข้าไปกําหนดไม่เอาสติเข้าไปกําหนดรู้เหย่านั่นเองคือเรียกว่าเราไม่เอาลูกกับนามเข้าไปสัมผัสกัน ที่จุดสำคัญจุดไข่แม่ของเรื่องมันอยู่ที่ว่า <c oughs> เราเอาลูกกํบนามเขาไปสัมผัสกันแค่นั้นเองมันจะเกิดเป็นอาหารเรียวพอผัสสารอาหารที่มันเกิดขึ้นจากการลูกกํานามสัมผัสกันเป็นอาหารของใจ แล้วก็มีความตั้งใจที่จะรู้ขณะที่เราลุกเรายืนเราเดินเรานั่งเนี่ยตั้งใจรู้ว่าให้มันชัดว่าเรายืนตั้งใจรู้ชัดว่าเราเดินรู้ใจรู้ชัดว่าเรานั่งรู้ชัดชัดว่าเรานอนนี่มันเป็นมนธสันเกตตอาหารคือ อ, อาหาร คือความตั้งใจแล้วมันก็เป็นอาหารของใจเรียกว่าเราให้อาหารของใจทั้งการสัมผสัสรทั้งความตั้งใจทั้งผัสส า, ารมโนสัญเจตนาหารแล้วทีนี้อ่า ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราเนี้ก็เป็นอาหารสำคัญถ้าเราเอาสติเข้าไปสัมผัสรู้ขนาที่ลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลินกระทบจมูกสัมผัสกระทบลิน้นออรบกระทบลิน้นสัมผัสกระทบกาย เรียกว่าเป็นวิญญาณอาหารอาหารที่สำคัญของใจเมื่อมันเราเอาสติเข้าไปสัมผัสในขณะที่ลูกมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ้มกระทบจมูกรสกระทบพิสัมภสกระทบกามันจะเกิดพลังขึ้นมา เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความนิ่งขึ้นมาแล้วโฮอร์โมนที่โอที่มันสารไอต่อมโฮอร์โมนของเรามันมีอยู่ที่สมองของเราเนี่เมื่อจิตใจสงบมันก็หลั่งสารสุขลงมาชโลมจิตใจของเราที่มันเกวี่ยงแค้มันวิตกกังวลให้มัน ชุมชื่นแจม่มใสเปลืกบานอยู่ตลอดเวลาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ฐานะอะไรแค่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งเปรียกปากกายกับใจของเราเนี่ยหรือว่ารูปกรนามของเราเนี่ยมันเหมือนกับไม้แห้งสองอันมันเวียงวางเรียงกันอยู่ยแล้ว ถ้ามันวางเรียงกันอยู่เฉยๆอย่นะอยู่จนกระทั่งมันพผมันพังไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราออกไปสัมผัสกันสีกันไปสีกันมาสีกันไปสีกันมามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความร้อนขึ้นมานะ มันเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะมันมีเชื้อกองมันอยู่ในนั้นแล้วมันมีธาตุกลมันอยู่ในนั้นแล้วฉันใจรูปกับนามของเราก็เหมือนกันเราเอาไปสัมผัสกันรูป กระทบตามันก็เป็นรูปสติเข้าไปรู้มันก็เป็นนามเสียงมากระทบหูเสียงก็เป็นรูปสติเข้าไปรู้ก็เป็นนามกลิ่นมากระทบจมูกกลิ่นเป็นรูปสติเราก็ไปรับรู้มันก็เป็นนามมันไปสัมผัสกันยี่ที่ตรงนั้นมันจะไปตัดกันยี่ที่ตรงนั้นรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกัน เนี่เรารู้อยู่ล่อยๆรู้อยู่เป็นประจำจนมันเกิดความค้องความจำนานมันเกิดความสงบเมื่อมันเกิดความสงบสติปัญญามันก็เกิดขึ้นถ้าเราไปอ่านตามตำรับตำราเราก็จะได้เพียงรู้จักกับรู้จำแต่ถ้าเรามาดูของจริงเนี่ยมันจะรู้แท้งกับรู้จริงนะ เราดูไปดูไปดูไปจนกระทั่งเราเห็นด้วยปัญญาของเราเกิคือ เ, เห็นด้วยความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยจะชัดเนี่ยเห็นจะชัดด้วยสิความรู้สึกของเราแล้วมันจะคายอ อย่างที่เราสวดกันเนี่ยจับเพสังขารานิจติยะธาปัญญายปัจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอัตถานิพินท ต, ติทุกเถเอส ม, มโควิสุติย์เมื่อนั้นยอน่อมเดยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลง นั้นแหละคือผลทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางหมดสุดนี้มันมีอยู่ทางเนี้ยคือเราเห็นบ่อยๆเห็นเป็นประจำเห็นเป็นบ่อยๆเห็นเป็นประจำจนมันเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราให้มันมีในใจของเราพอตื่นปั๊บขึ้นมามันรู้สึกปั๊บเลยเลยนะ รู้ปั๊รู้สึกปัก๊บจะเดินปั๊บรู้สึกปัก๊บจะนอนปั๊บรู้สึกปั๊บเลยรู้สึกชัดๆนะให้มันรู้สึกชัดเจนจนกระทั่งมันมีในใจของเราดำเนินทางจิตใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราได้จริงๆเราจะได้ที่พึ่งอันสาคัญอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ต้องไป ออย่างอื่นดอกโดยมากที่เราไม่ค่อยได้ไดผลในการปฏิบัติเร็ว เ, เพราะวัดเรามันเพราะว่าพราะองค์ไปติดอยู่กับมนโนติดอยู่กับอันนี้อย่างที่หลวงพ่อเจ้าคุณท่านอนุ้ืกเนมาวัดคิดถึงบ้า ไปบ้านคิดถึงวัดไปโน้นคิดถึงอั น, นี้ไปโน้นคิดถึงอันนี้อยู่คือเราไม่อยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับตัวของตัวเอ ง, ออ ง, เองไม่ได้ hmm. ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นานเท่าไหร่ความสุขของเราก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าโดยมากคนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ได้ อยู่ไม่ได้ไปออกไปโน่นออกไปนี้เพราะจากนั้นจิตที่มันส่งออกนอกเนีมันถึงเป็นสมุทยัยผลที่มันเกิดขึ้นมาเกิดถึงเป็นถุกแต่ถ้าเราจิตอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นมร์แล้วผลของมร์ก็คือความดับแห่งถุกคือตัวนโิโรธเนี่ย ถ้าเราอยู่อย่างคำนี้เอาอยู่ได้นานเท่าไรรับรองว่าไม่มีทุกแต่ถ้าเราออกไปปับ๊บเราจะทุกทันทีเคยเราอยากเข้าไปในความคิดของเราถ้าเราเข้าไปในความคิดของเราเมื่ อ, อไรความคิดของเรากินเราเมื่อ น, นั้น ทำลายเราได้เมื่อนั้นอย่างที่เคยพูดให้ฟังบอกว่าพระเจ้าพระราศีเนี่ยทานเป็นนักล่าสัตว์ตัวโยงเลยวันดีคืนดีก็ชวนพวกอมามัดออกเป็นล่าสัตว์วันหนึ่งออกไปล่าสัตว์ ไปเจอควางแล้วให้พวกระมาตร้อมควางไม่ให้มันออกแล้วประกาศบอกว่าเอาถ้าควางวิ่งออกทางใครคนนั้นจะต้องติดตามควังมาให้ได้ถ้าไม่ได้ต้องตัดคอเจ็ดชั่วโคตรเลยบางเอิญทางนวดก็ไล่กวางทางนี้ก็้า ล้อมรักษาพยายามทุกคนบังเอิญกวางมันวิ่งออกมาทางพระราชาบดีพระราชาจะต้องติดตามกวางพอติดตามไปเข้าไปในดงลึกเข้าไปดงลึกเข้าไปกวางหายไปเลยพระราชาหลงบ้านไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไปพักอยู่ที่ต้นไทรใหญ่นอนล่ ตื่นขึ้นมายับจับบอกว่าจะกินพระราชาบอกว่าท่านจะกินข้าพไปเจ้าท่านไปจะกินเพียงคนเดียวถ้าท่านปล่อยข้าพไปเจ้าป ข, ข้าพไปเจ้าจะส่งคนใหม่ท่านกินวันละคนวันละคนวันละคน ท่าก็จะได้กินมีอาหารกินไปตลอดท่านจะเอาแบบไหน <c oughs> ให้ท่านตัดสินใจเอายักษ์เลยปล่อยพระไลาชาไปพระไาชาไปเอาคนคุกส่งมาให้ยักษ์กินทุกวันทุกวันทุกวันคนละวันละคนวันละค น, ค น, ค น, คนจนกระทั่งคนในคุกหมดเลยทีนี้จะเอาชาวเมืองมาให้ยักษ์กินตบ สมัยนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นบัณฑิตอยู่ในเมืองนั้นรู้ว่าพระราชาจะส่งคนมาให้ยักษ์กินเลยอาสาบอกว่าจะไปให้ยักษ์กินเป็นคนแรกแต่ขอพระราชทานล่มอคันหนึ่ง กับพระคันอันหนึง่งพระราชาของพระราชาทานให้อาได้ล่มกับประกัศเดินทางไปหายักพอไปหายักก็ไปยืนอยู่ข้างนอกอะกั้นล้มแล้วก็ถือประคัดแล้วยักษ์มันกูอยู่ในล่มยักษ์มันบอกว่าเข้ามาสิวะไม่ไป ถ้าท่านจะกินข้าวพเจ้าท่านออกมากินนี้ข้าพระเจ้าจะได้ปัดขอท่านใน่างสบายเร็วยักษ์มันก็ไม่กล้าออมากินในที่สุดพระโอษิสัตย์ได้สั่งสอนยักษ์ให้หับสินท่า ไม่ให้กินมนุษย์อีกต่อไปออพระโคดิษัาก็ปอดไปพวกชาวเมืองก็ปอดไปนี้มันหมายความว่าอย่างไง <c oughs> ก็หมายถึงว่าถ้าคนไหนเนี่ยเข้าไปในความคิดของจตัวเองเนี่ยมันจะถูกยักกืนกินทุก ขนาเล็เพ <peut S> like so ียงตั <Türkiye> ้งแต่เอายกตัวอย่างง่ายง่ายเอาท่าเราเข้าไปในความโกรธบ้านพังไปเลยถ้าเพียงตั้งแต่ดูหนังดูละครเนี่ยเราเข้าไปในหรนั่นดูสิเพอเพียงเขาสมมุติเฉยเรานึกว่ามันเป็นจริงมั้ยบางทีเขาบังคับตัวพระเอกพระนางเออ ให้ขับไร่ออกจากเมืองจากพระนครอะไรต่างๆเรากลับไปร้องให้กับเขาอถ้า ท, ที่เขาสมมติแชนั้ น, อ น, นเองเราเนื้อว่ามันเป็นจริงไปหมดเลยแขนใดถ้าเราเข้าไปในความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเราเนึกว่ามันเป็นจริงไปหมดเลยครับ เ, เราหลงไปหมด ลืมไปหมดลืมตนลืมตัวไปหมดฉะนั้นการที่เราไม่เข้าไปในความคิดในี่คือเราตั้งสติดูมันมีสติคอยดูมันออพอมาเกิดขึ้นที่ตาของเราปับ๊บสติไปตัดปับ๊บเกิดขึ้นที่กัะเสียงกระต้องหูวปั๊บสติก็ไปตัดปับปดป๊บ กินก็ไว้ที่จมูกกระทบจมูกปักสติเขาไปรับรู้ตัดปั๊บรสเกิดขึ้นที่ลิ้นของเราสติเขาไปรับรู้ตัดปั๊บเออสัมผัสที่กระทบที่กายของเราสติเข้าไปรับรู้มันตัดเน่ยพระขันตัวเนี้ยที่พระลายาประทานให้พระโพธิสัตว์นี่ถึงเป็นพระขันต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด แล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราจริงแต่เราไปใช่ไหมถ้าเราไม่เคยใช้มันมันทื่อเหมือนกับมีดเราเด็อถ้ามีดทื่อนมันตัดอะไรมันตัดไม่กยขาดเดอแต่ถ้าเราเอามารับกันรูปกับนามรับกันเนี่ยก็เหมือนกับมีดรับกับหิน ลัวไปลับมามันคมปคมักคมขึ้นคมขึ้นคมปี๊บเราจะตัดอะไรตัดปักมันขาดปักตัดปักขาดปักตัดปักขาดปักเนี่ยขันใจสติของเราที่มันมีกำลังมันเราฝึกดีแล้วฝึกอดอบรมดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตัด ได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบฉะนั้นเราทำบ่อยๆทำเป็นประจำแล้วมันจะเป็นสติที่คมแหลมคมสามารถที่จะเป็นอาวุธสำหรับที่จะทำ ลายกิเลสที่เข้ามาลบ ก, กวนเราได้ ท, ดทุกเวลาเราจะได้มีที่พึ่องอันกระเกษมที่พึ่องอันสูงสุดของชีวิตกบเราฉัานั้นก็ขอให้คณะผู้ปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติกันเอาจริงๆปฏิญญาณให้แน่นอนบอกว่าข้าใบเจ้าจ็ด ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากควาไม่เข้าใจทำจะไม่ออกจากวัดพระธาตุแสงเทียนไปได้ไหมอยู่ออจะไม่ออกจากวัดพระธาตุแสงเทียนไปเป็นอันค่ะไม่ว่าเส้นเอ็นจะปุพังไปก็ตามเลือดเนื้อมัมนจะเหงื่อแห้งไปก็ตาม ไม่ลุกจากสถานที่นี้ไปเอาจนกว่าจะเข้าใจธรรมะได้แจ่มแจ้งชัดเจนเพื่อเอาชีวิตบูชาธรรมอุทิศให้กับอาจารย์มหาอิเดได้ไหมเอออ่าสาธุนะ <laughs> ท, ทุกท่านเด็ประสบผลสำเร็จตามความต้องการปาจจะบัน ท, ทุกท่านขอยกไปเกี่ยวกับ่นี้ก่อนนะสาธุ